คำพูดของท่านเอ็ดวินเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2514ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการการติดต่อทางวิญญาณ ด้วยวิธีการเข้าทรงอีกครั้งหนึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬกา30นาทีซึ่งในครั้งนี้หลวงพ่อสมเด็จได้มาเข้าทรงก่อนและได้เทศออกมากันหนึ่งหลังจากหลวงพ่อสมเด็จเทศจบแล้วท่านเอ็ดวินซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์ก็ได้เข้าทรงตอบพูดเป็นภาษาอังกฤษและได้บันทึกลงในเทปไว้ข้อความต่อไปนี้คือถ้อยคาที่ท่านได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์สิริพุทธสุขซึ่งเด้น่งฟังอยู่ด้วยเป็นผู้ถอดข้อความอันนี้ออกมาจากเทปขอให้ท่านสังเกตดูให้ดีและจะเห็นได้เองว่าจะเป็นคำพูดของท่านเอ็ดวินจริงหรือไม่หมาเหตุผู้อ่านต่อไปนี้เป็นคำแปลที่อาจารย์สิริพุทธสุขได้แปลไว้นะครับ เลยภูเขาและป่าใหญ่ไปคือท่านปู่เราไม่สามารถไล่เห็นพระองค์ได้เพราะเมฆหมอกอยังปกคลุมอยู่เรารู้ว่าพระองค์อยู่ที่นั่นในไม่ช้าเมฆหมอกก็จะผ่านไปพระองค์กําลังยิ้มมายัางพวกเราที่แน่นอนยิ่งขึ้นก็คือพระองค์จะให้เราเห็นหน้าถ้าเราทำงานและสวดอ้อนวอนเรื่อยไปพระองค์จะอยู่กับเราตลอดไป หัดของพระองค์อยู่เหนือเราแม้ในสิ่งที่อยู่ภายใต้ลึกลับซ่อนเร้นและแก้ไขไม่ได้พระองค์ก็อยู่ที่นั่นพระองค์จะเฝ้าดูเราอยู่เสมอเพราะว่าพระองค์คือตัวเรานั่นเองเราได้พบว่าถ้ามีอะไรอย่างหนึ่งมาทำให้เราลำบากไหนไม่ช้าก็จะมีอะไรอีกอย่างหนึ่ง มาทำให้เรามีความสุขอีกครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าชื่อเอ็ดวินในโลกที่มองไม่เห็นคําอธิบายข้อความที่กล่าวมานี้อาจารย์สิริพุทธสุขเป็นผู้แปลมาจากคำพูดของท่านเอ็ดวิน ซึ่งท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษในเวลาเข้าทรงและบันทึกลงไว้ในเทปสำหรับผู้ที่ไม่รู้พื้นความรู้ของคนทรงและไม่เคยอ่านหนังสือโลกทิพย์ก็อาจจะไม่เชื่อว่าเป็นคำพูดของท่านเอ็ดวินจริงแต่สำหรับอาจารย์สิริซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับคนทรงและเป็นผู้แปลหนังสือโลกทิพย์ได้กล่าวรับรองไว้ว่าสำนวนอย่างเนี้ยคนทรงพูดไม่ได้ ข้อความเช่นนี้เป็นของท่านเอ็ดวินแน่นอนและขอให้สังเกตว่าท่านเอ็ดวินซึ่งเมื่อสมัยเป็นมนุษย์เป็นคนที่นับถือคริสตศาสนาและเมื่อตายไปแล้วพื้นความรู้ทางคริสตศาสนาก็ยังติดตัวไปแต่ในเมื่อท่านโดยปกติเป็นคนอยู่ในเหตุผลไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์เป็นคนรักความจริง ในเมื่อท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกของโอปปปาติกะมากขึ้นและได้พบปะสนทนากับบรรดาผู้รู้ทั้งหลายในโลกของโอปปปาติกะแนวความคิดของท่านเกี่ยวกับเรื่องพระผู้เป็นเจ้าก็ได้วิวัฒนาการไปไกลมากขอให้อ่านหรือฟังอย่างพินิษพิเคราะห์จริงๆแล้วท่านก็จะเห็นว่าพระเจ้าที่ท่านเอ็ดวินพูดถึงก็คือวิญญาณของเรานั่นเอง และการที่ท่านใช้คำว่าท่านปู่ก็เพราะวิญญาณของเราแต่ละคนเป็นของเก่าแก่มีมานานและในเมื่อเราได้ชำระสิ่งที่เป็นเสมือนหนึ่งเมฆหมอกที่ปกคลุมวิญญาณของเราออกไปหมดแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าวิญญาณของเราย่อมเป็นเสมือนหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าซึ่งบริสุทธิ์และแจ่มใสอยู่เสมอและพร้อมที่จะยิ้มให้แก่ทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วย ท่านเห็นแล้วหรื อ, อยังว่าสิ่งที่เป็นสัจธรรมไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนย่อมเหมือนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้รังเกียจชื่อหรือยี่ห้อที่เราเรียกศาสนานั้นๆและอย่าได้รังเกียจลัทธิหรือขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดถึงความเชื่อถือที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเราเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาระสําคัญแต่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีเหมือนต้นไม้ที่จําเป็นจะต้องมีเปลือก กันจึงจะอยู่ได้และอีกอย่างหนึง่งก็ขอได้โปรดเห็นใจบุคคลที่เพิ่งจะก้าวขึ้นมาผู้ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรมากนักเพราะเป็นของธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีความหลงผิดมีความเข้าใจผิดแต่แล้วในที่สุดสิ่งที่ผิดผิดมันก็ค่อยหมดไปเองในเมื่อเขาค่อยๆก้าวขึ้นไป มีจิตใจสูงขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นรอบรู้มากขึ้นจากคำพูดของท่านเอ็ดวินดังที่คัดมาให้ดูนี้ขอให้พิจารณาดูด้วยจิตใจที่เที่ยงธรรมและด้วยการใช้สติปัญญาอย่างรอบครอบท่านก็จะเห็นถึงความจําเป็นและประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะต้องสอนให้บุคคลบางประเภท ซึ่งก็มีอยู่มากเชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่ในคำพีได้กล่าวไว้เราต้องเป็นคนใจกว้างและศึกษาอะไรก็ควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งความสามัคคีกับคนทั่วไปก็จะเกิดขึ้นหรือพูดอีกในหนึ่งความเมตตาการุณาอันไม่มีขอบเขตก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งคุณธรรมอันนี้คือราก ฐ, ฐานที่สาคัญ ที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดคนที่ยังเห็นแก่ตัวคิดแต่ว่าศาสนาของตัวเองเท่านั้นดีถูกต้องของคนอื่นผิดหมดถ้าหากข้อความในคำพีของศาสนาอื่นไม่ตรงกับหลักในศาสนาของตัวคนประเภทเนี้ยเป็นคนใจแคบเขาจะเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ คำสอนของพระเยซูมีอยู่ว่าจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองส่วนคำสอนในทางพุทธศาสนามีว่าวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงสำเร็จมาแต่วิญญาณและนอกจากนี้ ทางพุทธศาสนายังมีสอนอีกว่ามารดาที่มีบุตรเพียงคนเดียวยอมจะรักบุตรด้วยชีวิตฉันใดจงพยายามทำใจให้รักคนอื่นไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือสัตว์รูไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ไม่ว่าจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตามให้เหมือนกับมารดารักบุตรฉันนั้นข้อความจากในกรณียเมตตาสูตร จงเปรียบเทียบกันดูว่าคำสอนของศาสนาทั้งสองมีสาระที่ตรงกันหรือเหมือนกันอย่างไรหมายเหตุผู้อ่านนะครับอันนี้ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งหลักของคริสตศาสนามีสอนไว้ว่าจงให้อภัยผู้อื่นอยู่เสมอแม้เขาตบแก้มซ้าย ก็ให้ยืนแก้มขวาให้ตกแต่ไม่ให้ตอบโต้ส่วนหลักทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ว่าแม้เขาเอาเลื่อยมาเลื่อยเราขาดเป็นสองท่อนผู้ใดโกรธก็ไม่ใช่สิทธิ์ตถาคตแล้วก็ฝากไว้สำหรับผู้ที่ชอบสวดมน์นะครับและเชื่อถือว่าสวดมน์นั้นจะศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ผมอยากให้ลองแปลคำสวดแต่ละบทนะครับเรจะเข้าใจว่าความศักดิ์สิทธิ์จากการสวดมน์ จริงๆแล้วเกิดจากอะไรเพราะว่าถ้าเราอ่านคำแปลจริงๆเราจะเห็นว่าในบทสวดแต่ละบทนั้นมีคำสอนอยู่มากมายนะครับซึ่งคำสอนนั่นแหละที่ถ้าเราสวดและน้อมนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติย่อมนำความสุขความเจริญและเป็นอนันย์ของกาสวดมนต์บทนั้นๆได้จริง